ท่านติณทันเคยเล่าว่ามีลูกศิษย์เนี่ยปารกว่าเมื่อท่านมรณภาพแล้วเนี่ยอยากจะสร้างเจดีหรือสถูปแล้วก็เพื่อบรรจุอัฐิของท่านเอาไว้ท่านก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยนะนะอย่าเอาตัวเราเนี่ย ไปใส่ไว้ในโถหรือในโกดแล้วก็ขังไว้ในสถูมันจะเป็นการจำกัดตัวท่านเอาไว้ท่านบอกว่าเนี่ยอธิของท่านนี่เอาไปโปรยนในป่าเพื่อให้เพื่อเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้เจริญเติบโตยังจะดีสักกว่า แต่ว่าถ้ารูปศิษย์เนี่ยจะยืนกลานจะสร้างสถูปหรือใจดีบรรจุอัถิของท่านท่านก็มีข้อแม้ว่าเนี่ยให้ติดป้ายไว้นะว่าฉันไม่ได้อยู่ข้างในข้างในคือข้างในสถูกถ้าคนยังไม่เข้าใจก็ติดป้ายที่สองว่าฉันก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกด้วย ถ้ากลัวว่จะไม่เข้าใจก็ติดป้ายที่สามว่าถ้าจะพบฉันนะก็พบได้ในลมหายใจที่มีสติหรือในย่างก้าวที่สงบเย็นท่านบอกว่าเนี่ยถ้าเห็นท่านเป็นเพียงแค่รูปนะหรือร่างกายนี้ยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เห็น ท่านอย่างแท้จริงเพราะว่าตัวท่านเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดด้วยร่างกายหรือว่ารู ป, ปรขันนี้นะสิ่งที่เป็นตัวท่านที่แท้จริงเนี่ยนะก็คือสภาวะสภาวะแห่งความตื่นรู้ความเบิกบานซึ่ง จะพบได้ก็ในยามที่มีสติมีความรู้สึกตัวมีความสงบจากลมหายใจหรือจากก้าวเดินหรือจากการกระทําที่สงบนะท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้ตายนะถ้าไปมองว่าตัวท่านเนี่ยคือรูป หรือมองเห็นว่าเนี่ยตัวท่านจำกัดอยู่แค่รูปหรือร่างกายเนี่ยน่าท่าตายนี่ร่างกายก็สลายไปแต่ที่จริงแล้วนี่ท่านไม่ได้ตายแล้วก็จะไม่ตายเหมือนกับเมฆนะเมฆที่ไม่เคยตายเลยเพียงแต่แปลสภาพ หรือว่ามีความสืบเนื่องในรูปอื่นเช่นเป็นฝนเป็นหิมะเเม่งไม่ได้ตายนะไม่ได้สิ้นสุดเพียงแต่แปลสภาพแล้วก็มีความสืบเนื่องต่อไปจะเรียกว่าไม่สิ้นสุดเลยก็ได้ท่านเองก็เหมือนกันนะท่านไม่ตายแต่ก็ เพียงแต่ว่าเปลี่ยนสภาพหรือมีความสืบเนื่องในรูปอื่นสืบเนื่องในคนที่อยู่รอบข้างท่านสืบเนื่องในลูกศิษย์ลูกหาที่ปฏิบัติตามที่ท่านได้สอนเมื่อคนเหล่านั้นเนี่ยดูอย่างมีสติ หายใจอย่างมีสติเดินอย่างมีสติสงบเย็นก็พบท่านในภาวะเช่นนั้นแหละเรียกว่าท่านเนี่ยสืบเนื่องอยู่ในภาวะของคนเหล่านั้นถ้าเป็นความสืบเนื่องที่ไม่สิ้นสุดนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปท่านนึงบอกว่าอย่าไปจำกัดตัวท่านไว้ ด้วยการเอาอัถิไปไว้ในสถูปนะเพราะทำให้คนี่เข้าใจไปว่าเนี่ยตัวท่านก็คือร่างกายหรือว่ารูปขันเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ตัวท่านเป็นอะไรมากกว่านั้นมันมีความสืบเนื่อง สืบเนื่องในยามที่เรานะมีสติในยามที่เราพบความสงบในจิตใจท่านเียเปรียบเทียบไว้ดีนะเปรียบเทียบกับเมฆนะที่ไม่มีวันตายหรือว่าไม่มีการสิ้นสุดนะเพียงแต่ว่าแปลสภาพหรือว่าสืบเนื่องไปในรูปอื่นจริงๆไม่ใช่เฉพาะตัวท่านหรอกนะคน ผู้คนทั้งหลายก็เหมือนกันการแตกสลายของร่างกายนั้นนะอันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่มันไม่ได้แปลว่ามันสิ้นสุดตรงนั้นมันมีความสืบเนื่องต่อไปในรูปอื่นเดี๋ยวว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะความสืบเนื่องเนี่ยมันก็พบได้นะในวิธีการปฏิบัติ ในวิธีแห่งการหายใจอย่างมีสติหรือการเดินอย่างรู้สึกตัวท่านพูดไว้ชัดเจเลยนะว่าถ้าเห็นท่านว่าเป็นเพียงแค่ร่างกายเนี้ยอันนี้ก็แซงก็ไม่ได้เห็นท่านอย่างแท้จริงอันนี้ก็คล้ายกับที่พระเจ้าตรัส น, นะถ้าผู้ใด ย, ยังเห็นยังคิดว่าตัวท่านเนี่ยคือร่างกายเนี่ย ก็ถือว่ายังไม่ได้เห็นท่านอย่างแท้จริงอย่างพระวักกะลิเนี่ยนะก็พยายามที่จะมองนะจับจ้องเขาจะเจ้าตลอดเวลาแต่ว่ายิ่งทำเท่าไหร่นี้กย็ยิ่งอยู่ห่างไกลจากพระองค์ยิ่งไม่เห็นตัวท่านเห็นตัวพระองค์เข้าไปใหญ่นะต่อเมื่อเห็นธรรมเนี่ยถึงจะเห็นพระองค์นะ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตสรารทอาจารย์นันตินันทันเนี่ยผู้ใดนะที่ได้มีสติมีความสึกตัวในยามนั่นแหละนะั้นที่จะได้เห็นท่านนะจะได้สัมผัสนะกับนะตัวตนที่แท้ของท่านอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีนะสำหรับนะผู้มีครูบาอาจารย์ ที่ยังมีชีวิตอยู่หลายคนก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์เนี่ยมีชีวิตยืนยาวเป็นอมาตะได้ยิ่งดีแต่ว่าไม่ว่าปาร์นาเพียงใดก็ไม่สําเร็จพอใ น, นีสุดครูบาอาจารย์ก็ต้องมรณภาพแต่ว่าถ้าเรามองว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในรูปประคัในร่างกายแม้ร่างกายจะแตกดับไปแต่ว่า ความเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังหรือคุณยังคุณนัศนัยความเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังสืบเนื่องต่อไปในธรรมะที่ท่านสอนและพบได้เมื่อได้นำธรรมะท่านไปปฏิบัติจนเกิดคุณภาพจิตที่เป็นกุศล น, นั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ห่างไกลจากครูบาอาจารย์ ก็ยังอยู่ใกล้ท่านแล้วก็มีท่านเนี่ยคอยช่วยดูแลรักษาจิตใจรวมทั้งปกปักอ์รักขาจนกระทั่งเราสามารถที่จ ะ, ะเข้าถึงธรรมะได้ด้วยตัวเราเองเข้าถึงแก่นธรรมนะจนกระทั่งเป็นอิสระนะไม่ต้องพึง่งพาใครต่อไปอ น, นั่นแหละคือนะ ความปรารถนานของครูบาอาจารย์ที่อยากจะให้ลูกศิษย์ได้เข้าถึงภาวะเช่นนั้นดันั้นแม้ว่าจ ะ, ะครูบาอาจารย์ท่านจะมรณภาพไปในความหมายที่รูปขันของท่านแตกสลายแต่ว่าเราก็ยังมีครูบาอาจารย์อยู่กับเราตลอดเวลาและตราดใดที่ปฏิบัติตามคนสองท่านเนี่ยก็แปลว่าท่านก็จะช่วยนําพาเรา จนกระทั่งได้เข้าถึงอิอสรภาพที่แท้จริง